คนที่คอยปรณนิบัติดูแลนั้นแทบจะไม่ต้องห่วงสาสา ว, สาวชาวตะเคียนทองนับจำนวนเป็นสิบสิบคนพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกชนิดสำหรับสุภาพบุรุษไัยของพวกเขาทั้งหลายแต่ฝ่ายนายจ้างทุกคนเห็นว่าไม่จำเป็นเพราะพวกนั้นถ้าจะช่วยได้ก็เฉพาะแรงงานอย่างเดียวเท่านั้นทว่าทุกคนก็รู้สึกถึงความอบอุ่นสามคัคคีตลอดจนน้าใจสนองตอบและความรักสนิทที่ชาวโดยทั้งหลาย มีให้แก่พรานใหญ่กับพวกตนประมาณสิบห้านาทีภายหลังจากให้แคนเซียมและคนเก็บนอนนิ่งนิ่งอยู่โดยตลอดกลุ่มนายจ้างที่นั่งสนทนาหารือกันอยู่ใกล้ๆ ก, ก็ตื่นเต้นอีกครั้งเมื่อเห็นระพินไทรวันค่อยค่อยสงโงสงเงลุกขึ้นมานั่งพร้อมทั้งเปิดเปลือกตาขึ้นมองดูสภาพตัวเองมองสิ่งแวดล้อมรอบกายและบริเวณที่ห่างออกไปโดยรอบ ด้วยแววตาอันแห้งผากของเขาทุกคนของฝ่ายนายจ้างเคลื่อนเข้ามาล้อมรอบเขาอีกครั้งจ้องจับมาที่เขาเป็นตาเดียวจอมาคุเทส ซ, ซึ่งกลับฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้มองหน้าผู้แวดล้อมรอบกายเข้าไปทีหลักคนเหมือนจะสำรวจว่าอยู่ครบกันหรือไม่แล้วมาสิ้นสุดเอาที่หัวหน้าคณะระพินรู้สึกเป็นยังไงบ้างล่ะตอนนี้ ด็อเตอร์สแตลลีเอ่ยถามขึ้นด้วยเสียงอ่อนโยนกรุณาจอมพรานพยายามยิ้มให้ทุกคนแต่มันดูซีดเซียวเยเกยอย่างไงรผิกกลเขาเอามือยันพื้นขยับจะทรงกายขึ้นยืนแต่คิดกระเชิดวุฒเข้ามาจับไว้อย่าเพิ่งยืนเลยเพื่อนยากดูคุณจะยังไม่ค่อยเข้าท่าอยู่นะเอาแค่นั่งก่อนฮะเขานั่งแผลลงตามเดิม อย่างอ่อนราหวยรยแรงขอน้ำระพินหลุดปากออกมาสั้นๆ น, นั่นเป็นคำแรกที่เขาพูดหลังจากลืมตาขึ้นมานั่งเชิดพุษเพนไปที่กาน้ำอุ่นรินลงจอกแต่เบรรังแขนไว้ส่งขวดเครื่องดื่มประเภทช่วยในด้านความชุ่มชื่นและกระตุ้นประสาทโดยเฉพาะไปให้เขาโดยเปิดฝาจุกเกลียวออก พรานใหญ่กระเดือกน้ำลายลงคออันแห้งผากแล้วยกขึ้นจิบช้าๆโดยยังไม่พูดอะไรทั้งสิ้นจนกระทั่งหมดขวดแล้วก็ถอนใจเฮือกวางขวดลงตาเริ่มมีแววประกายขึ้นบ้างเอามือทั้งสองรูปหน้าขยี้ตาแล้วก็เปิดขึ้นอีกครั้งมองข้ามศีรษะของทุกคนที่แวดล้อม ไปยังกองทมืนเป็นภูเขาเรากาของซาช้างที่ล้มระเกะระกะแวดล้อมอยู่ทั่วไปดวงตาทั้งคู่เบิกโพรงยกมือขึ้นชี้กราดไปยังซากมาือมาเหล่านั้นนั่นนั่นนั่ น, นเสียงเขาตะกุกตะกักสแตนลียก้มศีรษะลงนิดหนึ่งเอื้อมมือมาจับเขาเขาใช่ตาคุณไม่ฝาดไปรอ ศึกใหญ่เลยเมื่อคืนที่ผ่านมานี่ตอนที่คุณไม่ได้อยู่ที่นี่กับพวกเราด้วยแคมเราแหลกไม่มีชิ้นดีมันยกมาเป็นกองทัพฟาดกันตั้งอะไรเฟิน้นปืนลูกซองปอืนกลขึ้นไปจนกระทั่งระเบิดแต่พวกมันก็กลื่นไปเหมือนกันสำรวจแล้วนับได้เกือบสี่สิบตัวกองอยู่ทั่วอนาบริเวณไปหมดรลพินไทรวันยกมือขึ้นกลุ่มขมับ ร่างออกมาพระอาหารหันเป็นความผิดของผมเองครับที่หลงกลมันพวกเรามีใครตายบ้างครับทุกคนปลอดภัยเรียบร้อยไม่มีใครเป็นอะไรเลยเพราะเราถอยหนีขึ้นหน้าผาตามแผนซึ่งคุณกําหนดไว้ให้ล่วงหน้าได้ทันก็แทบจะเรียกว่าไม่มีอะไรเสียหายเลยละ่ะนอกจากเต็นที่เรากางนอน และเครื่องใช้เล็กๆน้อยๆเท่านั้นจ้องพรานสะบัดสีสักไปมาเหมือนจะขับไล่ความมึนงงสับสนและพยายามลำดับภาพเหตุการณ์อันยังจับต้นชนปลายไม่ค่อยจะถูกนักระยะเวลาระหว่างนี้พักพวกทุกคนดูเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ดีได้แต่เข้ามาจ้องสำรวจกิริยาท่าทีอยู่เฉยๆไม่มีใครชวนพูดหรือรุกด้วยคำถามใดๆทั้งสิ้น พักใทีเดียวที่จอมพรานนั่งเอามือทั้งสองกุมกระโหลกอยู่แล้วเป่าลมพูออกจากปากค่อยๆเงยหน้ามองดูกลุ่มนายจ้างที่แวดล้อมอีกครั้งระพินถ้ายังรู้สึกว่าไม่สบายก็นอนพักต่อไปก่อนเถอะยังไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นละ่ะสเตนลีเอ่ยขึ้นเบาๆน้ำเสียงอ่อนโยนตบที่ไหลเข่าเบาๆผม ผมคิด ว, ว่าผมไม่เป็นอะไรมากนักหรอกครับเขาตอบเสียงแห้งยังคงยิ้มเจืิญจืดอยู่เช่นนั้นเงยหน้ามองทองฟ้าตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วครับแล้วเป็นวันอะไรนี่ผมหลับไปนา น, น, านสักแค่ไหนครับเวลาเก้านาฬิกาสิบนาทีคุณแลนี่มันก็เป็นเวลาเช้าของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองลกกะกันว่า คุณหลับไปประมาณไม่เกินห้าหกชั่วโมงเท่านั้นแต่เป็นการหลับที่เกือบจะไม่ได้ตื่นอีกแล้วเบนเป็นคนตอบและพิน ง, งงไปอีกอึดใจพยายามยกมือรูปคลำตามร่างกายตัวเองนี่ไปยังไงมายังไงละครับเนี่ยผมรู้สึกตัวครั้งสุดท้ายว่านอนตกเถาวันอยู่ในเหวตอนนั้นมันปวดยอกระบงมไปหมดกระดิกกระดียไม่ไหว แล้วต่อมาก็คล้ายๆพลอยหลับไปอีกพอรู้สึกตัวอีกครั้งก็ได้ยินเสียงของบุญคำบอกให้ผมกินยาใช่คุณเริ่มจะรู้สึกตัวก็ตอนที่บุญคำเขย่าเรียกให้กินยานั่นแหละแต่ตลอดเวลาก่อนหน้านั้นคุณไม่ได้สติเลยเชิด ว, วุดบอกแล้วใครอผมมาถึงที่นี่ได้ล่ะครับ ก็ภายหลังจากที่ไอ้ช้างผีนะ่ะมันถอยกลับไปแล้วนะเราก็ลงจากหน้าผาที่ขึ้นไปหลบอยู่ลงไปสำรวจตำแหน่งที่พรานพื้นเมืองบอกว่าคุณนอนอยู่เห็นหายไปแต่มีรอยเหมือนแกะรอยติดตามอะไรสักอย่างนึงแล้วก็หักกิ่งไม้เป็นสัญญาณ น, นำทางไว้พวกเราห้าคนและพรานคู่ใจทั้งหมดของคุณก็เลยออกสาวรอยไปสเตนลีย์คีดและเชิร์ตวุฒช่วยกันเล่าตามความจริงทั้งหมด ให้พรานใหญ่ผู้เพิ่งคืนสติทราบโดยตลอดถึงการติดตามไปจนพบแล้วตัวกลับมาได้ยังไงตลอดเวลาระพินนั่งนิ่งทบทวนความจำของตนเองไปด้วยแล้วครางออกมาบัรซบมากผมขอบคุณทุกท่านนะครับที่เป็นผมกลับมาได้ไม่งั้นป่านนี้ก็คงนอนตายอยู่กลางหิวนนครับผมพลาดท่าเสียทีมัน มันหลอกเอาผมไปหล่นเหวแล้วก็ยกกองทัพไอ้งาดำเข้ามาเล่นงานพวกคุณทางนี้ทีหลังเพราะมันรู้ว่าถ้าผมยังอยู่มันก็เข้ามาไม่ได้ทั้งหลายทั้งปวงเป็นความผิดของผมเองครับนี่โชคดีเหลือเกินนะครับที่พวกเราไม่มีใครได้รับอันตรายเลยถอยหนีขึ้นหน้าผาทันทรัพย์สินก็ไม่มีอะไรเสียหายมากก็คุณรับเคราะห์หนักไปแทนแล้วยังไงลนะ่ะ ถึงไม่ตายก็เกือบไปละตอนที่เราชะโงกไปเห็นคุณนอนติดอยู่กลางเหหนวะครั้งแรกก็นึกว่าเป็นศพไปแล้วเหมือนกันนะคริสติน่าพูดเสียงเบาแล้วถามต่อมาทันทีว่าเอาละ่ะคราวนี้คุณพอจะบอกได้หรื อ, อยังไอ้มันที่คุณสะกดติดตามไปจนกระทั่งถูกล่อไปล่นเหวเวนะ่ะคืออะไรคุณยังไม่ได้ความกระจ่างกับพวกเราเลย แล้วก็เป็นปัญหาขบคิดลึกลับของฝ่ายเรามาตลอดจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ว่ามีอะไรเป็นจุดบันดาลใจให้คุณต้องลุกขึ้นจากที่นอนแล้วก็เดินบุกป่าฝาดงไปลงเหิวบนยอดเขาเตีย้ยเตีย้ยลูกนั้นในเวลาต่างดึกและพินหันไปทางขันพลาสติกที่เชิดบุตรรินมาตั้งไว้ให้ยกขึ้นดื่มเต็มกระหายอีกครั้งอาการของเขายังอิดโรยอ่อนเพลียอยู่มาก สิ่งผิดปกติบางอย่างซึ่งเกิดจากความรู้สึกเคยชินทําให้เขาเอามือคลำดูตามกระเป๋าเสื้อกางเกงที่สวมอยู่ก็พบว่าบรรดาของใช้จําเป็นส่วนตัวกระจุกกระจิกที่ติดอยู่ถูกถอดออกไปหมดแล้วคริสติน่ามองอาการนั้นก็เข้าใจรีบบอกมาว่านี่คุณอย่ามัวกังวลห่วงสมบัติที่ติดอยู่ตามกระเป๋าเสื้อกระเป๋ากางเกงของคุณเลยฉันถอดออหมดแล้ว แล้วก็ฝากไว้กับบุญคําหมดแล้วในระหว่างที่คุณสลบอยู่เพื่อจะได้นอนสบายไม่ติดโน่นคํานี่อยู่รับรองคุณไม่สูญหายไปไหนหรอกทุกชิ้นทุกอย่างอยู่ครบเรียกคืนแล้จากบุญคําได้ถ้าคุณสบายดีแล้วอ่หมายถ้าทางคุณดูจะห่วงใชจริงนะเงื่นในกระเป๋าก็ไม่เห็นจะมีสักบะประโยคสุดท้ายหล่อนกล่าวพร้อมกับหัวเราะเบาๆนี่ฉันคิดว่าขณะนี้ อย่าเพิ่งตั้งปัญหาสอบถามอะไรเขาให้เขาต้องใช้ความคิดเลยถ้าทางเขายังมึนๆงงๆสับสนอยู่มากนะอาการทางร่างกายก็บอบช้ำหรือเกินเบลเออร์แทรกขึ้นขยับตัวเข้ามาใกล้จับแขนพลานใหญ่ไว้นี่ไครวันคุณรอดตายมาได้ครั้งนี้เพราะความสามารถในทางสมุนไพรของพวกลูกน้องคุณเองซึ่งช่วยคุณอธจเยนออกมาเป็นโลหิตจากการช้ำในจนหมด ฉันเองน่ะเป็นหมอแต่ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันว่าประสิทธิภาพของสมุนไพรชนิดนั้นสามารถเข้าไปช่วยคุณไว้ได้ยังไงตอนนี้พวกนั้นนะ่ะเขารับรองกับฉันว่าคุณปลอดภัยแน่นอนแล้วแล้วยอมให้ฉันตรวจรักษาคุณเพื่อช่วยให้กลับฟื้นคืนกำลังมาโดยเร็วถ้าคุณไม่ปากแข็งหลอกตัวเองคุณต้องยอมรับนะว่าขณะนี้นะ่ะคุณสับักสบอมมากหมดกาลังแล้วก็อ่อนเพลียใช่ไหม กระพินสูตรลมหายใจเข้าเต็มปอดแล้วพยายามจะทรงกายขึ้นยืนอีกครั้งแต่ก็หมดเรี่ยวแรงล้มแพละจ้ำเบาเช่วยบุษกะคีช่วยกันประคองให้เขานอนราบลงตามเดิมใจเย็นๆเพื่อนยากผมรู้ว่าคุณเก่งว่ะแต่คนเก่งก็จะต้องมีสังขารร่างกายที่สมบูรณ์ด้วยนะไม่ใช่แม้แต่จะยืนก็ยังยืนไม่ไหวอย่างนี้เสื่อเพเบนนะคุณคิดพูดบนหัวเรา กระแสเสียงของอเมริกันคู่หริเกา่าบัดนี้กลายเป็นมิตรอย่างสนิทใจ ย, ยิ่งจอมพรานกระพริบตาปริปริปรพึงรรมว่าจองเท้าผมละ่ะไปอยู่ไหนแล้วก็ไหลเฟินด้วยนี่บอกว่าหยุดห่วงสมบัติสีทีไงเสียงคริสติน่าดังแข็งกร้าวขึ้นจะตายอยู่รามารอแล้วพอฟื้นขึ้นมาได้ก็จะหานอนหานี่ ก็บอกแล้วไงว่าของของคุณน่ะอยู่ครบไม่ไปไหนหรอกมีไฟฉายก็บอกเดียวเท่านั้นแหละที่เอาคืนมาไม่ได้เพราะหล่นลงไปแหลกอยู่ก้นเหวเลิกกังวลเรื่องอื่นๆสัทีได้ไหมและแม่ผมทองก็หันมาพยักหน้าเป็นความหมายกับเพื่อนสาวอิสเบีนแขวนถุงน้ําเกลือไว้ที่เสาที่ปักไว้ก่อนทันทีโยนสายพลาสติกที่ติดกระถุงสําเร็จรูปนั้นไปให้คริสตินาซึ่งจัดการต่อกะหัวเข็มฉีดเห็นลักษณะนั้น ร้างใหญ่ก็หน้าเซียวลงไปอีกฮะนี่เอากันถึงขนาดนี้จูเลยเข้าครางอ่อยๆก็วิธีเดียวเท่านั้นแหละที่จะช่วยคุณเป็นปกติโดยเร็วที่สุดแล้วนะบอกก่อนล่วงหน้านะตอนอทั้งวันนี้คุณไม่ต้องทำอะไรหรือเคลื่อนไหวไปไหนทั้งสิ่งนอกจากรับน้ำเกลือแล้วก็นอนพักพวกเรายอมรับว่าคุณน่เป็นมนุษย์พันที่ทรโหดที่สุดในโลกพันหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ยังเป็นมนุษย์ มีเลือดมีเนื้อมีชีวิตไม่ได้สร้างขึ้นโดยเล็ดแล้วถ้าคุณยอมปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์พรุ่งนี้คุณอาจเป็นปกติแต่ถ้ายังดื้อดึงถือว่าตัวเองแน่อีกสามวันคุณก็ยังลุกไม่ขึ้นเข้าใจสตาลีและเชิดบุตรช่วยกันอ้อนวอนขอร้องระพินอีกครู่ใหญ่ระพินจึงถอนใจเฮือยื่นแขนให้โดยดี เอายังไงก็เอากันผมก็อยากจะหายเป็นปกติมีกำลังวังชาเหมือนเดิมโดยเร็วที่สุดเหมือนกันจะได้รับใช้พวกคุณต่อไปไอ้การจะนอนกระพริบตาไปไปดูน้ำเกลือมันปรงไปทีเลยหยดทีลยหยดโดยขยับขยื่นไปไหนไม่ได้แบบนี้มันเป็นเรื่องน่ารำคาญมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์สิ่งแวดล้อมแบบนี้ คริสติน่าหาเส้นเลือดเขาอีกครั้งพร้อมก็บอกว่านี่คุณบอกก่อนนะถ้าเข็มที่จะแทงเข้าไปนี่เกิดงอหรือหักแล้วก็เราไม่มีวันไม่มีวิธีอื่นอีกแล้วนะนอกจากเอาสายน้ำเกลือนี่ยับเข้าไปในช่องจมูกของคุณทุกคนหัวเราะขึ้นอย่างขันขันในคำพูดหน้าตายของหล่อนกับผินกลือน้ำลายลงคอเอาฝ่ามือข้างนึง ค่อยๆลู่ไปทางแขนด้านที่คริสกำลังจะจิ้มเข็มและพยักหน้าอ่ะแทงได้รับรองเข็มไม่หักหรืองอหรอกแม่ผมทองเสืกปลายเข็มเข้าไปและเอาปลาสเตอร์ปิดไว้เบรปรับระดับอัตราการหยดปากก็บอกมาว่าคราวนี้สะเอิงก็ได้เพื่อนแล้วสินะ แต่สำหรับคุณเห็นจะไม่ต้องเอาไม้มาดามแขนกันดิ้นเข็มหลุดหรอกนะเพราะพูดเขียนและอ่านภาษาของคนที่จเจริญแล้วได้ไม่ต่ำกว่าสามภาษาฮะทำตัวให้สบายได้ถ้าง่วงก็หลับต่อถ้าไม่ง่วงจะคุยอะไรให้เราฟัางก็คุยไปจะเคลื่อนไหวยังไงก็ตามสะดวกแล้วกันระวังเพียงแต่อย่าให้เข็มมันหลุดจากเส้นะนะรอบด้านเราขณะ น, นี้ช้างมันล้มเกือบสี่สิบตัว แต่ภายในแคมป์ทุเรตของเราตอนนี้จอมพรานผู้ญิ่งใหญ่ก็ล้มเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นการล้มชั่วคราวเท่านั้นใส่น้ําเกลือเข้าไปสักพันซีซีคงพอจะลุกขึ้นมาเดินได้แล้วมั้งนี่จะบังคับให้นอนใส่น้ําเกลือก็ยอมแลวคุณแต่ขออะไรสักสองอย่างได้ไหมเขาบอกกับทุกคนเสียงแจ่มใสเป็นปกติขึ้นกว่าตอนแรก อะไรล่ะรพินสแตนลีย์ถามยิ้มยิ้มช่วยสวมรองเท้าให้ผมเหมือนเดิมย้ายผมต้องนอนในสภาพเท้าเปล่าไม่พร้อมอย่างนี้แล้วก็ไรเฟิลของผมอะบรรจุกระสุนให้พร้อมเอามาวางไว้ข้างตัวผมด้วยครับนี่คุณคุณจะเตรียมพร้อมเพื่ออะไรไม่ทราบในภาวะที่ไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้ในขณะนี้และนี่ก็เป็นเวลากลางวันสว่างโล่งแจ้ง พวกเราอยู่กันพร้อมหน้ารานมือดีของคุณก็อยู่กันครบทั้งสี่คนถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณคิดว่าพวกเราป้องกันคุณไว้ไม่ได้ไงคริสติน่าขมวดคิ้วฐานข้างเบรนก็ร้องเสียงแหลมมาว่าโฮ้โ oh ห oh, he want to die with his b o o t on ใช่คนเจ็บบอกเรียบๆในป่าถ้าผมจะตายลงเมื่อไหร่แล้วก็ ผมจะต้องตายในลักษณะที่ไรเฟิลอยู่ในมือและเท้าสวมบูทของผมไม่งั้นมันตายชนิดนอนตาไม่หลับลมันเป็นธรรมชาตินิสัยอย่างความเคยชินของผมหัวหน้าคณะโบกมือไปทางลูกน้องสาวสวยทั้งคู่ที่รุมกันกระซายาวแย่ระพินอยู่ในขณะนี้แล้วบอกว่าอ่ะอย่าขัดใจเขาช่วยจัดการให้ตามที่เขาต้องการแล้วกัน ฉันคิดว่าฉันเข้าใจความรู้สึกของเขาได้ดีที่สุดนะในป่าเขาไม่เคยไว้ใจอะไรสักอย่างและตัวเองก็ต้องพร้อมอยู่เสมอถ้าหากว่ายังมีลมหายใจอยู่เบลยักไหลยิ้มขันขันเดินไปหยิบ ร, รองเท้าเดินป่าของระพินที่เชิดวุฒเป็นผู้ถอดออกนำมาคุกเข่าลงทางด้านปลายเท้าจับขาขึ้นวางพาดบนตักและสวมรองเท้านั้นให้ทีละข้างพลางบอกว่า ใส่ให้แล้วเกิดมากก็ไม่เคยใส่รองเท้าให้ผู้ชายคนไหนเลยนะเนี่ยข้างนายคริสเดินดุ่มๆไปที่ไรเฟิลของระพินซึ่งวางพิงไว้กับเครื่องหลังของเขาไม่ห่างออกไปนักนำมายื่นส่งให้คริสใ่ผมทองชูให้เจ้าของปืนดูนี่ไงไรเฟิลคู่ชีพของคุณโชคดีมากนะที่ไม่ได้ชำรุดอะไรเลยนอกจากไม้พานท้ายกระทบหิน แวหวนถลอกไปนิดหน่อยเท่านั้นด้วยดีนะนี่ลูกกระสุนชนิดฟูลแพทยัดเข้าไปในแมกกาซีนนี่สามนัดอีกหนึ่งนัดเอาไว้ขึ้นลำแล้วก็ลดนกปิดลูกเลื่อนลงอย่างนี้วางไว้ให้แนบตัวทางแขนด้านซ้ายนี่นะลูกํา ม, มันดูซะด้วยว่ามันอยู่ตรงนี้ไกลๆคุณมันไปไหนหรอกจะได้นอนตายตาหลับที ขณะที่พูดยิ้มยิ้มช้าช้าหล่อนปฏิบัติตามที่พูดให้เขาดูทีละขั้นแล้ววางลงข้างตัวพรานใหญ่หยิบมือข้างที่ว่างของเขาให้มาวางไว้บนตัวไรเฟิลถามต่อมาว่าเป็นไงครบสูตรในการนอนของคนชื่อระพินทร์ไทยวันนี้อย่างคุณครับขอบคุณครับผมจะสบายใจหมดกังวลลงได้ก็ต้องอย่างนี้แหละ ก็บอกแล้วไงว่ามันเป็นความเคยชินดรสตาลีครับอเมริกันอาอุโสวางมือลงบนเข่าของเขาว่าไงเพื่อนญาผมคิดว่าผมลำดับเรื่องราวติดต่อได้โดยตลอดแล้วว่าอะไรมันเป็นอะไรไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้พวกท่านฟังแต่ก่อนอื่นผมมีงานที่จะต้องสั่งคนของผมทั้งสี่คนนั่นก่อนครับ อะไรกันคุณพอลืมตาขึ้นมาได้ก็คิดเรื่องงานทีเดียวเหรอเบนท้วงขึ้นมาเสียงต่ำๆได้โปรดธอครับทุกสิ่งทุกอย่างต้องแข็งกับเวลาที่สุดครับตอนนี้ผมยอมรับสารภาพว่าผมจะต้องนอนให้น้ำเกลือและลุกไปไหนไม่ได้แต่ก็อยากถึงให้การงานจำไป็นื่นๆต้องชะงักเลยครับขณะนี้ผมมีสติครบถ้วนนะ เพียงแค่อ่อนเพลียไม่มีแรงเท่านั้นแต่ผมก็สามารถพูดคุยหรือสั่งงานได้โปรดเรียกคนทั้งสี่ของผมเข้ามาพบหน่อยครับหัวหน้าคณะพยักหน้ากระเชิดบุตรนายทหารหนุ่มก็ลุกขึ้นยืนป้องปาตะโกนเรียกบุญคำจันเกิดและเสยทันทีโบกมือเป็นสัญญาณชั่วครู่เดียวลูกศิษย์ทั้งสี่ก็เข้ามารลล้อมเจ้านายรวมทั้งกะเหลียงโบเมียอูทาและพระโต บุญคำเห็นเจ้านายนอนลืมตาใสให้น้ำเกลืออยู่ลักษณะพ้นขีดอันตรายแล้วก็ยิ้มแป้นนายกูต่อสายเติมน้ำมันกลายเป็นไอเอิงไปอีกคนละแต่ไม่เป็นไรยังช้าพรุ่งนี้ก็เดินตัวปลิวเล่นแมงมุมขยุ่มหลังคาตามซอกทันบนหน้าผาได้อีกระพินขยับเท้าตาเท้าก็ขยับหลบอย่างรู้ทัน แต่แล้วก่อนที่เขาจะพูดอะไรกับสมุนขวาจอมแก่นคริสตินาก็ดักคอขึ้นซะ ก, ก่อนว่า น, นี่คุณจะสั่งงานสั่งการอะไรกันก็สั่งเป็นภาษาที่พวกเราฟังรู้เรื่องนะคุณอย่าพูดภาษากบภาษาเขียดเป็นนั้นขาดเชี่ยผมไม่มีความลับอะไรจะต้องปิดบังพวกคุณหรอกพรานใหญ่บอกเรียบๆแล้วสั่งกับคนของเขาในบุญคากระจันนะ่ ช่วยคุ้มกันโบมเนียกับลูกบ้านทั้งหลายย้อนกลับไปที่หมู่บ้านตะเคียนทองเดี๋ยวนี้เลยนะพวกนั้นต้องการจะเก็บข้าวของจําเป็นโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งเกลือและข้าวสารที่ยังทิ้งอยู่ในหมู่บ้านร้างขนมาที่นี่ให้หมดและให้พวกนี้เก็บซากสดพักพวกของเขาที่ทิ้งเป็นซากทุเรศเ ก, กะกะอยู่อะสุมไฟเผาให้หมดเกิดกระเิยไม่ต้องไปคอยดูแลอยู่ที่นี่ บอกโบมีด้วยนะวถ้าเสบียงไม่พอวันนี้ก็ให้ช่วยกันจัดการแร่เนื้อช้างพวกนี้แหละใส่เกลือตากแห้งไว้จัดการให้เสร็จภายในวันนี้เลยแบ่งกําลังกันออกไปพวกไหนจะอยู่แล่เนื้อช้างพวกไหนจะไปขนข้าวของจัดการกับหมู่บ้านร้างคนของหมู่คนของโบมียมีพอที่จะเกณฑ์ได้ได้นายบุญคาจะจัดการเดี๋ยวนี้เลยตะพรานเท่ารับคาแข็งแรง แล้วหันไปส่งภาษากันในบ้านตะเคียนทองระพินฟังอยู่แล้วพูดอะไรกับกระเหลี่ยงพวกนั้นสองสามคำจึงหันไปทางฝ่ายนายจ้างทุงนี้ผมจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมไหมครับหัวหน้าหันไปพูดปรึกษากับหมอเบนและพักพวกแล้วมองมาอย่างเขาทําไมอะ่ะระพินผมต้องการออกเดินทางเคลื่อนย้ายจากที่นี่ไปให้เร็วที่สุด อย่างชาพรุ่งนี้มุ่งหน้าห้วยสืร้องตามแผนเดิมของเราและกะเรียงพวกนี้ทั้งหมดประมาณหกเจ็ดสิบคนนี่ก็จะต้องเคลื่อนย้ายร่วมเดินทางไปกับเราด้วยพวกเขาจะต้องย้ายถิ่นไปอาศัยรวมอยู่กับหมู่บ้านกะเรียงห้วยสืร้องซึ่งจะต้องไปพร้อมเราเพราะจะมาซ่อนตัวอาศัยอยู่ในถ้ำบนหน้าผาแบบนี้ไม่สะดวกแน่ครับอีกอย่างห น, นึ่งมีซากช้างถูกยิงล้มไว้บริเวณนี้มากมาย อย่างชามมรืนก็จะเริ่มส่งกลิ่นละต่อให้อาศัยอยู่บนหน้าผาพวกนี้ก็จะทนกลิ่นช้างเน่าไปทั้งป่าไม่ไหวแน่มันไม่ใช่แค่ตัวสองตัวแต่ตั้งเกือบสี่สิบตัวเดีย๋ยวว่าแต่หน้าผาใกล้ๆแค่นี้เลยครับห่างสักสองสมมามไมกลิ่นก็ยังไปถึงถ้าลมโชยฝ่ายนายจ้างทั้งหมดมองหน้ากันไปมาและเห็นจริงด้วยทันทีเออจริงสินะทีแรกเราไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้เลย พวกนี้คงจะอยู่กันที่นี่ต่อไม่ไหวหรอกถ้าเขาจะย้ายถิ่งไปยังจุดหมายเดียวกันกับเราก็าให้ไปซะพร้อมกับเราเลยจะได้ปลอดภัยขึ้นดีเหมือนกันยกขบวนเป็นกองคาราวานไปเลยแล้วยังไงคุณเป็นห่วงหรือว่าพรุ่งนี้คุณจะหายไม่เป็นปกติผู้กล่าวขึ้นอย่างสุ ข, ขุมแช่นช้าคือหัวหน้าคณะค้นหาระเบิดนิวเคลียร์ผมนั้นไม่ห่วงหรอกครับ เพราะผมเชื่อแน่ว่าผมปฏิบัติหน้าที่ตามเดิมได้แต่ผมเป็นห่วงคุณหมอเบร์ช่มากกว่าเพราะไม่ทราบว่าจะให้ผมใส่น้ำเกลือแล้วนอนพักสักกี่วันอะว่าไงเบ์ในทัศนแพทย์ของเธอสแตลีถามแม่ผมแดงอิสเบ์มองดูคนเจ็บซึ่งเป็นบุคคลสำคัญที่สุดในการเดินทางด้วยสายตาขี้เล่นตามนิสัยของหลอนแต่ตอบด้วยเสียงปกติว่า ถ้าโดยทรีดีแล้วพรุ่งนี้ก็ควรจะปฏิบัติหน้าที่ได้ตามปกติถ้าหากไม่มีโรคแทรกซ้อนสำคัญที่สุดก็คือคุณจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของฉันทุกอย่างไม่อวดดีขัดขืนตกลงหมอผมจะพยายามปฏิบัติตามคำสั่งหมอทุกอย่างจะให้น้ำากลือสักกี่ถุงตลอดทั้งวันนี้และคืนนี้ยันรุ่งเช้าเลยก็ได้ขอเพียงแต่ผมมีกาลังขึ้นเท่านั้นแหละ เราจะอพยพกะเหลียงพวกนี้ไปไว้ที่ห้วยเสือร้องซึ่งก็ไม่เสียเวลาอะไรเพราะเป็นเส้นทางที่เราจะบ่ายหน้าไปอยู่ก่อนแล้วพวกชาวโดงทั้งหลายอความจริงก็ร้วมเครือญาติพี่น้องกันทั้งนั้นเข้าไปรวมอยู่ด้วยกันได้หลังจากส่งเขาไว้ที่หมู่บ้านห้วยเสือร้องแล้วเราก็จะเดินทางของเราต่อไปทั้งนั้นคุณหายแน่ไม่ต้องห่วงหรอกเพราะทางฝ่ายเราก็ไม่ต้องการให้เสียเวลาโดยใช่ที่ โดยเฉพาะไม่ต้องการสาลักกลิ่นช้างเน่าซึ่งคงจะตายกันซะก่อนความจริงเราไม่ต้องการจะฆ่ามันมากมายถึงขนาดนี้หรอกถ้าไม่ใช่เพราะมันมีเจตนาที่จะบุกรุกเข้ามาคยี้เราให้ได้โดยไม่ยอมถอยคุณไม่รู้อะไรเพราะคุณไม่ได้อยู่ที่นี่ด้วยในขณะที่มันบุกเข้าเล่นงานเราขนาดพวกเราล่าถอยขึ้นไปอยู่บนหน้าผาหมดแล้วนะคุณพวกมันยังยึดพื้นที่บริเวณนี้เต็มไปหมด ส่งเสียงขู่คำรามใส่เราเราวกับแผ่นดินจะถล่มและยึดอยู่เกือบสว่างถึงได้ล่าถอยไปตอนนั้นเราไม่เข้าใจและเราไม่ถูกเลยว่าคุณหายไปไหนนี่ดีนะที่ว่าลูกน้องของคุณสี่คนน่ะมือแข็งๆดังนั้นไม่งั้นก็คงมีการตายกันมั่งเป็นแน่ปืนทุกระบอกนะ่ะยิงจนร้อนแ้าจับไม่ได้เจ้คุณเบนพูดมาเรื่อยปืยตามระษาของหล่อนภยหลัง จากสั่งการเสร็จบุญคำและจันก็นำกระเหี่ยงพวกนั้นผลักออกจากที่ตั้งแคมป์ไปในทันทีโดยแบ่งกำลังส่วนหนึ่งไว้สำหรับทำหน้าที่แล่เนื้อช้างเตรียมสะสมเป็นสเสบียงเมื่อเหลือกันตามลำพังระหว่างระพินผู้นอนรับน้ำเกลืออยู่และกลุ่มนายจ้านทั้งห้าคนที่เข้ามาลองง้อมวงกินอาหารรชันอยู่ใกล้ๆซึ่งจัดว่าเป็นอาหารมื้อแรกนับ ตั้งแต่ตะ ว, วันขึ้นร้านใหญ่ก็ขอให้ช่วยบูทจุดบุหรี่ให้เขาตัวหนึ่งแล้วพูดขึ้นว่าตอนนี้ถ้าผมจะคุยอะไรกับพวกคุณก็พูดคุณได้ใช่ไหมครับได้สิถ้าคุณยังไม่ง่วงหรือไม่รู้สึกเหนื่อยที่จะพูดหมอเบลผู้กำลังใช้ซ่อมพลาสติกจิ้มปลากระป๋องใส่ปากอยู่บอกมาแล้วส่อนยิ้มเมื่อเห็นจอมัอุเทศอาปากหาว จะเริ่มรีปรือลงทีละน้อยสเตลีคิดเชิดบุตรสังเกตดูอาการอยู่ทุกขณะลอบมองมาทางเบร์เป็นตาเดียวเหมือนจะถามเพราะเห็นคราญใหญ่นิ่งเงียบไปเฉยๆหล่อนรอบขยิบตากระซิบบอกว่าไม่ต้องห่วงหรอกก็ไม่เป็นไรหรอกฉันแอบใส่ ย, ยานอนหลับและดิพุนินลงไปในถุงน้งเกลือนั่นด้วย ต้องการให้เขานอนพักให้มากที่สุดแต่เขาจะหลับก็ใเขาหลับเถอะตื่นขึ้นมาอีกครั้งนึงอาการจะดีขึ้นมากทีเดียวทุกคนจึงเพิ่มข้าใจเชิดบุธรเดินไปหยิบผ้าผห้ยมาค่อยๆ ค, คลี่คลุมให้ตั้งแต่อกจะรดเท้ารพินไทยวันสงบนิ่งไม่รู้สึกใดๆอีกเลยลมหายใจช้าแต่เป็นจังหวะสม่ำเสมอบุหรี่ยังคาอยู่ในนิ้วเชิดบุตรบรรจงถอดออก ขยีดับแล้วถอยกลับมานั่งรวมกลุ่มใครจะคิดกับคนคนนี้ยังไงผมไม่รู้นะแต่ผมบอกตรงๆครับผมสงสารครับเป็นชีวิตที่น่าสงสารที่สุดคนแบบนี้แม้วินาทีสุดท้ายที่กำลังจะขาดใจตายเชื่อเขาจะไม่บอกให้ใครรู้เปน็นอันขาด อเมริกันทั้งสี่เงียบกริบสแตนลีย์ยกซิก้าขึ้นอัดควันรีตาลงขณะที่นั่งกอดเขา่ามองไปทางคนเจ็บคิดเจ้าตัวเกะกะจอมกวนที่สุดในคณะซึ่งวาระแรกที่เผชิญหน้ากับสุภาพบุรุษไพรผู้นั้นก็ประกาศถึงความลำพองโอหังและหมิ่นยามอยู่อย่างชัดแจ้งบักนี้เปลี่ยนสภาพกลับจากหลังเท้าเป็นหน้ามือ โครงศีรษะแช่นช้าอย่างกลัวใจและบังเกิดความรักน้ำใจขึ้นอย่างไม่อาจบอกถูกส่วนสองแ ม, มสาวอิ่มจากอาหารกระป๋องที่กำลังรับประทานอยู่ทันทีเบมค่อยๆเหลือบหางตาไปทางคริสก็เห็นแม่ผมทองเพื่อนร่วมตายผู้ลึกซึ้งเยือกเย็นกว่าปลายตาจับมองท่าทีของตนอยู่ก่อนแล้ว ต่างฝ่ายต่างย่างเชิงท่าทีกันอยู่แล้วเบงก็ขยับหมุนกายเข้ามานั่งใกล้ชิดคริสมากที่สุดแผ่วเสียงกระสิบตลอดทั้งวันนี้และคืนนี้ขอให้เป็นหน้าที่ของเธอนะคริสดูแลเขาให้ดีที่สุดถ้าพรุ่งนี้เขายังไม่ปกติดีเหมือนเดิมเรีอย่างน้อยก็ค่อยอยังชั่วมาก พวกเราทั้งหมดจะลำบากแต่เธอจะละหน้าที่ของหมอไปเล่นรักอยู่กับคิดหรือเชิดวุฒิไม่ได้เป็นกางขาดนะคริสฉันรักษาแต่เธอต้องพยาบาลดูแลเขานะอ่ะตกลงหมอกระจายไปหมดแล้วแดดเริ่มแรงขึ้น ทุกคนอยู่ในระหว่างพักผ่อนอิริยาบถและจัดการกับตัวเองตลอดจนดูแลบริเวณที่พักด้วยความปลอดโปร่งโล่ง อ, อกโล่งใจขึ้นพอสมควรแม้จะแฝงแววกังวลต่ออนาคตเบื้องหน้าไว้เต็มเปียกพระราตรีมหาการผ่านพน้นตะวันขึ้นสว่างจ้าไปทั้งป่าสภาพของไพรพฤึกสิ่งแวดล้อมก็กลับคืนมาเหมือนเดิมดูไม่มีอะไรน่ากลัวเลยผิดกับความวิตปริต ของเมื่อคืนที่ผ่านมาเป็นอันมากอเมริกันอาวุโสเริ่มหายใจสะดวกขึ้นเป็นครั้งแรกเขาชวนเชิดบุทและคิดออกตรวจสำรวจทราบช้างรอบๆปริมณฑลตรวจสถานที่อีกครั้งพร้อมทั้งสอบซักถามสนทนาคุยกับพวกลูกหาบที่กำลังกระจายการทำงานเป็นกลุ่มๆเชิดบุทอิซาเบลและคริสขอแรงให้เสยลงไปเป็นเพื่อนเพื่ออาบน้าชาระ ก, กาย ในฐานเบื้องล่างและก็พบด้วยความสยองใจว่ามีช้างพลายขนาดใหญ่อีกสองตัวถูกปืนจากการประทะสมซานมาล้มคาอยู่ริมทานห้วยอีกตัวหนึ่งซึ่งนั่นแปลว่ากระแสทานสายนี้ในด้านที่ต่ำลงไปโดยน้ำจะไหลผ่านจะต้องเป็นน้ำเสียไปอย่างน้อยก็อีกเป็นแรมปีเมื่อซากช้างนั้นเริ่มเน่าเฟะขึ้นหมู่บ้านชาวป่าใดก็ตาม ที่บังเอิญไปตั้งอยู่ใต้ทางน้ำไหลของสายลำธาร น, นี้จะรับเคราะห์อาศัยดื่มกินไม่ได้เลยคิดกับสแตลลีตามลงมาอาบน้ำด้วยภายหลังระหว่างที่ฝ่ายนายจ้างทั้งห้าพละห่างออกไปก็ฝากคนเจ็บไว้ในความดูแลของเกิดและสาวสาวชาวกระเหรี่ยงต ะ, ตะเคียนทองทั้งหลายวิทยุติดต่อแบบมือถือได้ถูกนามาทดลองกันอีกครั้ง ผลมันก็ปรากฏอยู่เหมือนเดิมคือไม่สามารถจะเรียกกันได้เลยทันทีที่สวิต์เปิดก็มีแต่เสียงคลื่นอากาศดังสู้สู้โครครากไปหมดเพราะฉะนั้นความหวังของคณะอเมริกันที่จะใช้วิทยุเครื่องใหญ่ติดต่อกระศูนย์บรรชาการก็เป็นอันหมดสิ้นไปอีกทั้งคณะขาดการติดต่อกับสถานีลอยที่ควบคุมอยู่ไปตั้งแต่เมื่อเย็นวานนี้แล้ว ทันทีที่เดินทางมาถึงบริเวณอันพิจารณาว่าอับคลื่นวิทยุแหล่งนี้คิดได้แต่สะบดุดสาบแช่งอย่างหัวเสียทุกคนมีความหวังแต่เพียงว่าถ้าเดินทางเคลื่อนย้ายห่างจากบริเวณนี้ออกไปแล้ววิทยุรับส่งคงจะทําหน้าที่ได้เหมือนเดิมเพราะตรวจสอบแล้วก็ไม่ปรากฏว่ามีชิ้นส่วนประกอบตัวใดชํารุดเพียงแต่มันไม่ทํางานตามหน้าที่ของมันเท่านั้น เชิดวุฒิสั่งพวกลูกหาบที่เหลืออยู่พร้อมทั้งกะเหลี่ยงจํานวนหนึ่งที่กําลังจะลงมือแล่เนื้อช้างอยู่ให้เหลือกสนใจกระตัวอื่นๆที่ล้มเปลี่ยนดงอยู่บนลานหน้าผาโดยให้ย้ายมาจัดการกับสองตัวที่นอนอยู่ใกล้าทาน้ํามากที่สุดเพื่อทําลายซากแยกชิ้นส่วนออกไปป้องกันแหล่งน้ําเสียให้น้อยลงที่สุดโดยความรอบรู้และนิสัยที่เคยเป็นนักเดินป่าสมัครเล่นมาก่อน ในการที่จะช่วยรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำไว้แต่ก็คงจะไม่ได้ผลเท่าไหร่นะักเพราะแต่ละตัว น, ะน้ำหนักหลายตันต่อให้เกณฑ์กำลังกระเหี่ยงตะเคียนทองทั้งหมดมาช่วยกันแล่ออกก็ไม่สามารถจะกำจัดซากแม้แต่เพียงตัวเดียวของมันให้หมดสิ้นไปได้อีกอย่างหนึง่งปริมาณของเกลือที่จะไปเอามาจากหมู่บ้านร้างของพวกนี้ก็มีอยู่ไม่มากนะักเกลือทะเลเป็นสิ่งที่หายากที่สุด และมีค่ายิ่งกว่าทองสำหรับชีวิตป่าบนภูเขาสูงห่างไกลาจากทะเลและชุมชนนับเป็นรอยๆใหม่เช่นนี้นี่พวกนี้กินเนื้อช้างด้วยหรอคิดถามอย่างไม่ประสีประษาถ้าจำเป็นจริงๆมันก็ยังดีกว่าพวกเขียดอึงหรือกิ่งกา่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกชาวดงนะเขาไม่เลือกหรอกไม่กินเนื้อคนด้วยกันเองก็ดีเท่าไหร่แล้ว เชิดวุฒิอตอบสเตลียังคล่องใจเกี่ยวกับไอ้พวกผีดิบที่เห็นกับตาว่าเข้ามาอาละวาดอยู่ในบริเวณแคมป์พร้อมกับกองทัพช้างนับจํานวนไม่ท้วนเหล่านั้นเหตุการณ์ในขณะนั้นทําให้เขาสามารถเห็นกับตาและแยกไม่ออกว่าเหตุใดบางร่างถูกกระสุนปืนอย่างจังลูกปืนจากปืนบางกระบอกก็ทะลุผ่านกายมันไปเฉยๆไม่สามารถจะหยุดการเคลื่อนไหวของมันได้ และกระสุนบางนะัดจากปืนบางกระบอกโดยเฉพาะของพวกพลานพื้นเมืองของระพินสี่คนจับโครมเข้าไปที่ร่างไหนเห็นพังะพลอยพลอยลงไปนอนนิ่งอยู่กลางดินสิ้นฤทธิ์เดชลงทันทีแต่ถึงยังไงก็ตามพอรุ่งเช้าบรรดาซากกันน่าสะพึงกลัวลี้ลับเหล่านั้นก็ถูกไห้พวกช้างมหาประลัยนำเคลื่อนย้ายไปหมดไม่เหลือทิง้งแหวเห็นแม้แต่ซากเดียว คงเหลือทิ้งไว้ก็แต่เฉพาะซาดช้างพวกเดียวกับมันซึ่งมีขนาดใหญ่โตเกินกว่าที่จะช่วยกันลากนำไปได้เท่านั้นเรื่องนี้เอาไว้ให้ระพินตื่นขึ้นมาอีกครั้งสะก่อนแล้วพวกคุณมีข้อสงสัยยังไงก็เห้เขาอธิบายฟังผมเองก็บอกไม่ถูกเหมือนกันตัวแทนจากกองทัพ บ, บกไทยตัด บ, บทกับพวกนั้นแล้วเดินทางมาในครั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์สำคัญอย่างหนึง่งเข้าใจว่าความยากลำบากก็จะเป็นเพียงเรื่องการบุก ป, ป่าฝ่าดงปีนเขาลงห้วยเท่านั้นไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะมีอุปสรรคจากสัตว์ ร, ร้ายและความลี้ลับอาถรรพ์มาเป็นศัตรูกับการเดินทางอย่างนี้คิดบน่นขยี้จมูกแรงๆเรื่องนี้ความจริงระพินเขาก็ได้ย้ำเตือนกับพวกนายล่วงหน้าไว้ก่อนแล้วนะ แต่พวกนายทั้งหมดฟังเป็นเรื่องเหลื่ไหลไรสาระก็ดีเมอนกันจะได้เห็นกับตาสะทีฉันวันนี้นะมันเป็นเพียงแค่ชิมลางขั้นต้นเท่านั้นต่อไปยังไม่รู้จะหนักหนาสาหัสสักขนาดไหนดีไม่ดีพวกเราอาจจะกลายเป็นคณะสาบสูนไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกแล้วก็ได้เพราะระเบิดนิวเคลียร์สิทธิ์นกตันของพวกนายลูกนั้นลูกเดียวแหละเชิดบุตรพูดอย่างงุดหงิด คริสติน่ายิ่เยงโอบไหลเชิดบุธไว้เบาๆอย่างเอาใจเต่าด้านหนึ่งของหลอนจึงสีกระแขนเชิดวุตรอย่าบ่นไปหน่อยเลยหน้าวุตรพวกฉันสี่คนนี้ไม่ได้ทำระเบิดลูกนั้นตกแล้วก็ไม่ได้คิดอยากจะมาหรอกถ้าไม่ใช่คำสั่งจากเบื้องสูงที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้ไหนๆก็ร่วมเป็นร่วมตายมาด้วยกันแล้วอย่าทาใ้สอไปหน่อยเลยคุณ ไอ้ผมนะ่ะไม่เป็นไรหรอกตายเมื่อไราที่ไหนก็ได้ถ้าเกี่ยวกับความปลอดภัยของประเทศชาติหรือเพื่อสันติของโลกแต่พวกคุณนะ่ะทำบาปทำกรรมไว้กับคนที่น่าสงสารคนนี้มากนะผมหมายถึงละพินนะคุณทำไมละบุธก็เขาเป็นมักกุเทศเดินป่ามีอาชีพโดยตรงอย่างนั้นอยู่แล้วนี่เบียนแยงเชิดบุตหน้าเครียด ผมมาสืบรู้ภายหลังรพินตัดสินใจเลิกอาชีพเดินป่าอย่างไม่มีอนาคตแล้วนับตั้งแต่การเดินทางครั้งสุดท้ายของเขาแล้วเขากําลังจะมีความสุขกับผู้หญิงที่เขารักซึ่งเธอก็รักเขามากด้วยแต่พราะพวกคุณอะไรเป็นต้นเหตุทําให้คู่รักทั้งสองต้องพัดพรากจากกันชนิดที่อาจไม่มีโอกาสได้พบกันอีกแล้วรู้เปล่า อิส เ, เบะปากเสียใจแล้วก็ช่วยไม่ได้จริงๆก็ทำไมเขาไม่เอาคู่รักเข้ามาด้วยล่ะว่าแล้วหล่อนก็เดินผลาจากมาใช่เชิญบุษทำปากหมุกมิบดาหันไปมองคริสติน่าเห็นหล่อนสงบปากคาใบหน้าเคร่งขรึมไม่ได้เอ่ยอะไรทั้งสิ่งนี่คริสเพื่อนคุณปากไม่ดีเออหน้าบุษ อย่าไปถือสาเขาเลยเขายังเด็กอยู่และอย่างน้อยที่สุดเขาก็ยังพอจะให้ความสุขกับคุณได้บ้างงั้นไม่ใช่เหรอหลอนพูดเสียงแผ่วตักคราวนี้เชิดบุตรหุบ ป, ปากนี่ขณะนายจ้างทุกคนรวมทั้งเชิดบุตรถือโอกาสนอนพักผ่อนชดเชยกับความเหน็ดเหนื่อยแทบเอาชีวิตไม่รอดกันมาเมื่อคืนติดต่อมาจนกระทั่งสาย ประมาณเที่ยงเสรบุญคํากับคณะที่ได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติการยังหมู่บ้านร้างก็กลับมาถึงรายงานให้ทราบว่าทุกอย่างที่ระพินสั่งการไปนั้นได้จัดการเรียบร้อยแล้วนําเกลือกับข้าวสารเท่าที่จะค้นหาได้ในหมู่บ้านร้างกลับมายังสถานีใหญ่ศพของพวกกะเหรี่ยงตะเคียนทองจากคชจเยที่เป็นซากทุเรศเกลื่อนกลาดอยู่ก็จัดการชาปนากิจ เผารวมกันมอดไหม้ไปหมดแล้วมีรายงานข่าวให้ทราบว่าตลอดระยะทางที่จะผ่านปาไปถึงหมู่บ้านร้างนั้นพบสาตช้างที่พผะหนีเพราะถูกลูกปืนล้มให้เห็นอยู่เป็นระยะเพราะทนพิษบาดแผลไม่ไหวนอกเหนือจากซาดจำนวนมากที่กองให้เห็นอยู่รอบๆ บ, บริเวณแคมป์จับว่าเป็นการล้มตายสูญเสียอย่างขนาดหนัก ของพวกมันทีเดียวณลนะะแวกนี้ทั้งหมดมันได้แปลสภาพเป็นป่าช้าช้างไปแล้วจริงอยู่ทุกคนในคณะหนีรอดชีวิตได้อย่างวุดวิดและสามารถถล่มพวกมันได้มากที่สุดเป็นประวัติการ์แต่พรานใหญ่รพินไพรวันอันเป็นผู้นำของคณะทุกคนก็แทบจะเอาชีวิตไม่รอดเหมือนกัน และได้รับความบอบช้ำสะบักสะบอมที่สุดถึงขั้นอาเกียนออกมาเป็นโลหิตนอนหมดสติต้องให้น้ำเกลืออยู่กับที่เดี๋ยวนี้บ่ายสองโมงเศษบรรยากาศราบคาปกติทุกคนยกเว้นแต่พวกที่มีหน้าที่ทำงานแข่งกับเวลาพากันนอนหลับไปหมดโดยเฉพาะกลุ่มนายจ้าง วางเต็นท์ชนิดเปิดโล่งใช้เฉพาะหลังคาบาังแดดนอนเกะกะกันอยู่ใกล้ๆบริเวณที่ระพินนอนหลับสนิทอยู่เบให้น้ำเกลือถุงที่สองอีก500ซีซีเมื่อหลังเที่ยงเล็กน้อยก่อนที่หลอนจะนอนหลับไปข้างๆคริสตินาโดยให้ความหวังแก่พักพวกได้ว่าไม่ควรเกินบ่าย5โมงเย็นจอมักุเทศควรจะรู้สึกตัวและมีอาการดีขึ้นมาก ฝากลมพริ้วพรมโชยผ่านฝากทาน พ, พลึกไพรไม้ป่าช่วยกล่อมวิญญาช่วยปลอบที่วาทวินหาเธอเสียงทุ่มกลางวานกึ่งหวานกึ่งเศร้าของลำนำเพลงนั้น สัมผัสเข้ามาในดวงจิตอันิทราสนิทของระพินไกรวันประสาทไร้สำนึกของระพินเริ่มกลับคืนมาอีกครั้งตาลืมหรือเปล่าไม่ทราบได้แต่รู้สึกว่าตัวเองนอนอยู่ลมหายใจคล่องสะดวกเพียงแต่ว่างวงเงียอยากจะหลับอยู่เช่นนั้นทุกประโยคของถ้อยคำชัดเจนหรือเกิน เจ้าของเสียงเพลงยิ้มฟันขาวนั่งอยู่บนโคดินใกล้ๆกำลังมองมาที่ตัวเขาด้วยสายตากึ่งขันกึ่งทุเร่ลอเลียนไม่มีใครอื่นอีกแล้วนอกจากเจ้าคู่ปรับคู่มิตรเพียงคนเดียวเท่านั้นในแสงสว่างหลวหลวงของยามสายันอากาศในว่าเขามองไปที่มันอย่างพินิษ พยายามจะขับไล่ภาพนั้นไปซะให้พ้นแต่กลับยิ่งชัดขึ้นไอ้คนดงพนเจนจรโฉมงามคนนั้นมาร้องเพลงบีบคันหัวใจอะไรกินอีกแล้วไอ้เวนไปพ้นพ้นตาสัทีได้ไหมบะได้ละพวกกองนี่ไหจะหยุดปากจัดสะทีนะก็มาคืนใช้ผมร้องเพลงให้ฟัง่ง ตอนนี้ไม่ฟังแล้วเละไม่อยากฟังแล้วเพลงอะไรก็ไม่รู้มันปวดหัวใจเหลือเกินนีมีคนที่ก็ปวดหัวใจมากกว่าผู้กองนะจะบอกให้พร้อมกับพูดปนหัวเราะเบาๆแงาทายจะโดยจินตนาการของเขาเองหรือมันโผล่มาจากที่ไหนก็ตามทีลุกขึ้นเดินมาดูที่ถุงน้ำเกลือ แล้วเหลือตางามคมปราบลงจับที่ใบหน้าเขาตอนนี้ก็หินจะสบายแล้วนะโดนน้ำเกลือเข้าไปสองถุงพันซีซีแต่เดี๋ยวก็ลุกขึ้นมาคุยจ้อกับใครต่อใครได้หรอกนี่พวกนายจ้างกับคนของชั้นหายไปไหนกันหมดจันเห็นอยู่ตะ ก, กายคนเดียวเท่านั้นแหละขนาดนี้เขาจะไปไหนพวกเขาก็นอนเฝ้าผูกกองกันอยู่ไกลๆนี่แหละ นอนหลับตาฝันหวานอยู่อย่างนี้จะไปมองเห็นใครได้เล่าผูก้กองนอกจากเห็นผมคนเดียวเท่านั้นแหละใครบอกว่าใครบอกแกว่าฉันฝันหวานฝันของฉันน่ะมันขมขื่นหรือประมาณไม่เป็นไรไม่เป็นไรหรอกผู้กองโบราณเขาว่าหวานเป็นลมขมเป็นยาตอนนี้ผู้กองก็ปลอดภัยแล้วนี่ไทยหลังจากเป็นจิวยี่รากเลือดสะพะักใหญ่ นีเมื่อไรแกจะเลิกยั่วสันทิีฮะอ่าก็เมื่อไรผู้กองจะเลิกชุนเฉียววางกล้ามกับผมกทีละ่ะเลิกคิดสเสียทีหนาผู้กอไอ้ที่ว่าฟ้าให้รพินมาเกิดแล้วฉันไหนถึงให้แงซท า, ายมาเกิดอีกตอนนี้รพินก็ไปเชิญกระสารพัดปัญหาโดยไม่มีแงซท า, ายก็แย่น่อยนะคนเราจะมาคิดถึงกันมันก็อีตอนนี้แหละผู้กอง แนี่กับูก็ขามาทำไมวะอ้าวก็ผู้กองสรงจิตเรียกผมนะว่าจะให้ไปเดี๋ยวนี้ก็ยังได้นะว่าแล้วเงี้สายก็หันหลังกลับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ดียวเดีย ว, ยวร่างนั้นหันมาอมยิ้มรี่ตาให้เห็นนหะมเรียกละอย่ามาถามอะไรผมเกี่ยวกับคุณหญิงดารินนะไม่บอกให้รอ ผมเองก็กรียดกีหน้าผู้กองเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่อักโขเหมือนกันเออฉันไม่ถามอะไรเกี่ยกับนายหญิงของแกเราแต่อยากจะขอคำปรึกษาอะไรหน่อยมันไรใช่ไหมใช่มันเล่นงานฉันหนักเหลือเกินคราวนี้มาในซากใหม่แล้วก็ขุนพักพวกบริวาลของมันมาทั้งกลุกป่าชานิทานนคร แกว่าควรจะแก้ไขรับมือกับมันยังไงดีฮะแงใส่ทำลายซากนี้ให้แหลกไปอีกซากหนึ่งมันก็มาแทนไม่มีการสิ้นสุดทีนยอมรับนะว่าขาดแก้สักคนเดียวก็เหมือนแขะแขนขวาถูกตัดออกโถ่า๊กกองคิดให้ดีๆนะเส้นผมบงผังภูเขาอยู่แค่นี้คิดยังไง คิดยังไงยังไงมันก็คิดไม่ออกแก้ไม่ตกมันเงินมึนงงไปหมดนะแง่สายใจเย็นๆดิผู้กองเอาไว้หายเจ็บหายป่วยสุขภาพกําลังกายกําลังปัญญาพร้อมเมื่อไหร่ผู้กองก็แก่ตกเองแหละตอนนี้พักผ่อนนอนรักษาตัวไปก่อนแล้วกันไม่แกจะไม่ช่วยฉันเลยเหรอแง่สายยิ่งช้าไปเท่าไหร่อันตรายมันก็ยิ่งเพิ่มทวีขึ้นเพียงนั้นนะ่ะ ไอ้ตัวฉันน่ะไม่ห่วงตัวเองหรอกสำคัญว่านายจ้างหรือคนของฉันจะถูกมันฆ่าตายร้อยหรอไปเป็นลำดับแกก็รู้นี่ว่าฉันต้องรับผิดชอบทุกชีวิตจะยออไมใ่ใครเป็นอันตรายอีกไม่ได้อะผู้กองผู้กองจาได้ไหมสุสานใหญ่ที่สุดของนิทานคนครมันอยู่ที่ไหนกระผินหนึ่งคิดไม่จำได้ จำได้ว่ามันเป็นภูเขาหินล้วนล้วนลูกหนึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ราบสูงของบริเวณของซากปรากหักพังเมืองโบราณไอตอนนี้นึกไม่ออกว่ามันตั้งอยู่ที่ไหนจะต้องบายหน้าไปทางทิศใดมันเป็นสูสารที่นายทหารชา ย, ยันกามาเรียเข้าไปถูกกับดักของมันไกลติดขังอยู่ในนั้นและพวกเราก็ตามไปพบ ก่อนที่สองคนนั่นจะถูกขังตายอยู่ในนั้นเราช่วยกันระเบิดทางด้านหลังเป็นปากทางเอาคนทั้งสองออกมาได้ในครั้งนั้นภายในนเป็นถ้ำสุสานมีซากอาบยาซึ่งกลายเป็นหินไปหมดถูกเก็บไว้ในนั้นนันนบไม่ถ้วนก็ น, นั่นแหละผู้กองใต้ภูเขาสุสานทั้งลูกนั่นแหละมันคลังผีดิบนับร้อยที่คำนวณอายุไม่ได้ ตำแหน่งนั่นแหละที่วิญญาณอามาตะาของมันไรไปเอาซาของนักรบตนหนึ่งออกมาแล้วก็นำไพร่พลของมันออกมาจากสุสานแหน่งนั้นเรื่อยๆโดยมีทางเข้าออกจากตำแหน่งที่ผู้กองเคยระเบิดเป็นช่องทางช่วยนายทหารชา ย, ยันก็แม่มารียออกมาเพราะฉะนั้นมันจะเกณฑ์ออกมาสักเท่าไหร่ก็ได้จนกว่าจะหมดกรุ่มีตัวตายตัวแทนไม่ได้จบสิน้น จนกว่าหมดกรุกของมันนะทีนี้ผู้กองก็รู้แบบนี้แล้วก็คิดหาทางแก้ไขตัวเองแล้วแต่แต่งไงทายฉันจําที่ตั้งภูเขาลูกนั้นไม่ได้นะไม่รู้ว่ามันอยู่ทางด้านไหนเ่าผู้กองก็ไม่ไกลไม่ไกลนักหรอกพวกมันยังเดินมาหาผู้กองได้นี่ทําไมผู้กองถึงจะสาวรอยเข้าไปหาแหล่งมันไม่ได้หรอก อนาคตพระศิวะมรกรนครของจักรราชผู้กองยังคนพบเลยแล้ว น, น, นับภาษาอะไรกระซากเมืองเก่านิทรานาครแค่นี้เองอผมไปก่อนละกลางวันสกแสอยู่ช้านักไม่ได้รกเอาให้ผู้กองใกล้ๆจะตายแล้วก่อนค่อยมาร้องเพลงให้ฟังนี่อย่าลืมพระคุณเจ้ามหาฤาษีโกนธัญญะระลึกถึงท่านไว้เสมอนะแล้วก็สวัสดิมงคลชัยชนะจะเกิดขึ้นกับผู้กองโชคดี ผู้กองที่รักเนซายแปบบมาก่อนเขาตะโกนสุดเสียงพร้อมกับขยับตัวพรวดลุกขึ้นใครคนหนึ่งเข้ามาจับตัวรพินไว้เขย่าเรียกซ้ำๆเมื่อเขาลืมตาขึ้นก็พบดวงตาตื่นตกใจของคริสตินาจ้องอยู่ก่อนแล้วลกลัจับไหล่ทั้งสองเขาไว้แน่นรพินคุณเป็นไรไปฝันร้ายเหรอ แล้อตะกี้นาตะโกนเรียกใครหล่อนถามแผ่วเบาจ้องหน้าเขาเขม็งกระพินลืมตาสว่างพลงพยายามหันไปรอบๆขณะนั้นจะเป็นเวลาสักเท่าใดเขาไม่ทราบได้แต่สังเกตเห็นแดดอ่อนเรืองรองลงแล้วบริเวณที่นอนอยู่ก็คงจะเป็นที่เดิมนั่นเองนอกจากคริสตินา่าผู้กำลังคุกเขา่าจับไหล่ทั้งสองของเขาอยู่ในขณะ น, นี้ห่างออกไปเล็กน้อย กลุ่มนจ้างทั้งหมดที่ดูเหมือนกำลังนั่งนอนรวมกลุ่มกันอยู่พากันหันขวับมาเป็นตาเดียวสายน้ำเกลื อ, อยังติดเชื่อมอยู่ที่แขนปริมาณของน้ำเกลือในถุงเหลืออยู่อีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นกระพินด่อนกระซิบเรียกเขาอีกในขณะที่สแตนลีย์คีเชิดบุตและเบลเริ่มลุกขึ้นและกาลังจะทยอยเข้ามายัางเขา ผมเรียบร้อยดีไม่มีอะไรหรอกคริสตอนนี้เวลาเท่าไหร่แล้วก็สิบหกนาฬิกายี่สิบห้านาทีฉันได้ยินคุณร้องเอะอะตะโกนเรียกชื่อใครคนหนึ่งแล้วก็พูดพลาดขึ้นมานั่งพ่านใหญ่หัวเราะเบาๆเอานิ้วมืออีกข้างหนึง่งขีบที่สันจมูกเปล่าเปล่าไม่มีอะไรหรอกผมคงฝันแม่แล้วก็ไม่ใช่ฝันร้ายอะไรทั้งสิ้น นี่หลับเป็นตายไปหลายชั่วโมงทีเดียวทุกอย่างปกติเรียบร้อยดีลรอคริสในระหว่างที่ผมหลับไปโดยไม่รู้สึกตัวนั้นเสียงของระพิงแจ่มใสแทบจะเป็นปกติธรรมดาเหมือนเดิมเรียบร้อยทุกอย่างคุณพวกลูกน้องคุณก็ไปจัดการกับสิ่งที่คุณสั่งเสร็จแล้วล่ะขณะ น, นี้ทุกคนอยู่พร้อมหนะ้าไม่มีอะไรเป็นปัญหาทั้งนั้นแหละพอดีกับที่กลุ่มนั้นเดินเข้ามาถึง พอสังเกตเห็นสีหน้าอาการของเขา่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสออกมาได้เป็นไงเพื่อนยากตื่นขึ้นมาคราวนี้ดูคุณจะดีขึ้นมากเลยนะคิดร้องทักเท่าห่าวปนหัวเราะก้มลงมาตบหนักๆที่ไหลขอบคุณครับขอบคุณทุกคนขอบคุณในทุกๆอย่างที่ช่วยเหลือเกี่ยวกับตัวผมผมรู้สึกว่าได้พักผ่อนพอสมควรทีเดียวแล้วก็พอจะมีกาลังขึ้นบ้างแล้ว ขอความการุณาถอดไอ้เข็มนี้ออกสักทีได้ไหมผมว่าผมพอแล้วนะอะ่าใจร้อนทนน้าคางอีกนิดเดียวก็จะหมดละหรืออีกไม่กี่ซีซีเท่านั้นอีกไม่เกินยี่ส้านาทีก็เรียบร้อยตอนนี้คุณจะเคลื่อนไหวทําอะไรก็ได้ขอแต่เพียงอย่าให้สายน้ําเกลือห ล, ลุดเท่านั้นแหละเบียลบอกมายิ้มยิ้มเอาผ้าขนหนูสะอาดอ่อนนุ่มชุบน้ําเย็นส่งไปให้คริส ซึ่งช่วยเช็ดหน้าให้แกเขาด้วยมืออันแผวเบาตัวแม่ผมแดงเองจัดการกระเครื่องกระป๋องเรช่นอันเป็นซุปมะเขือเทศจุดไฟจากตัวเชื้อเพลิงแอลกอฮอลส่วนล่างของกระป๋องอุ่นในทันทีร้องบอกมาว่านี่คุณเดี๋ยวคุณต้องกินอาหารเหลวๆรองทองไว้ก่อนและค่ำนี้ก็คงจะร่วมวงอาหารกับเราได้เป็นปกติละเหื่ไหม กระพินพยักหน้ารับตามตรงกาแฟหรือบันดีก่อนดีไหมเชิดบุษถานผมอยากได้น้ำเย็นสักสองสามอึกแล้วก็บุรี่ครับขณะที่พูดจอมพรานนํามือตบกระเป๋าเสื้อตัวเองด้วยความเคยชินแล้วก็จำได้ว่าสมบัติกระจุกกระจิกติดตัวอยู่คริสเป็นคนบอกว่าถอดออไปหมดแล้วเชิดบุษเดินไปรินน้าจากกระบอกไม้ไผ่ลงถ้วยพลาสติก และจุดบุหรี่มาส่งให้เขาภายหลังดื่มน้าจนหมดและอัดควันบุหรี่เต็มกระหายพร้อมทั้งเป่าเป็นทางยาวระพินไพยวันก็รู้สึกว่าสภาพทางร่างกายและสมองของเขาบัดนี้พร้อมแล้วแม้จะไม่เต็มตราเหมือนยามปกตินักก็ตามยังไม่มีใครสักถามหรือพูดอะไรกับเขาในสิ่งที่หนักสมอง นอกจากชวนคุยถึงสภาพความรู้สึกทางร่างกายในขณะนี้และช่วยกันเอาใจใส่ดูแลอย่างเต็มที่พรานลูกศิษย์ทั้งสี่คนเข้ามาเยี่ยมดูอาการเขารวมทั้งหัวหน้าหมู่บ้านตะเกียนทองอูถักและพระโต้ทุกคนดีใจเมื่อเห็นสภาพของเขาในขณะนี้ต่างเข้ามาทักทายกันคนละคำสองคำแล้วก็ผลักไปทางานกันตามเดิมเพราะรู้ดีว่ากลุ่มนายจ้าง คงต้องการจะสนทนากระพรานใหญ่โดยเฉพาะซุปของเบลเขียวจนเดือดส่งกลิ่นหอมฟุง้งยกมาตั้งให้ระยะเวลาที่รอให้มันคลายอุณหภูมิลงจนพอที่จะตักกินได้ก็เป็นเวลาพอดีกระที่น้ำเกลือในถุงที่สองหมดเข็มถูกถอดออกในทันทีระพินค่อยโล่ง อ, อกหมดความรำคาญไปเปลอกหนึ่งยังไม่พูจาอะไรกับใครมากนะัก ลุกขึ้นนั่งขัดสมารถโจซุบอย่างยิวโหวยจนหมดพักพวกทุกคนพูดคุยกันเองและรอบสังเกตดูเขาอยู่เฉยเฉยด้วยความพอใจมันเป็นอาหารมื้อแรกที่ผ่านลงกระเพาะนับตั้งแต่เกือบดับเครื่องไปเมื่อตอนหลังเที่ยงคืนของราตรีที่ผ่านมาได้ขนมปังในกระป๋องเรชั่นอีกก้อนหนึ่งระพินก็เปรียบเสมือนคนที่ตายแล้วเกิดใหม่ ทานอาหารเสร็จแล้วสิ่งแรกที่ทดลองก็คือลุกขึ้นยืนสะบัดแขนสะบัดขาออกไปก้มลงหยิบไรเฟิลขึ้นมาแง้มลูกเลื่อนดูกระสุนที่จำได้ว่าคริสบัญจุเอาไว้ให้เรียบร้อยเหนี่ยวไกอุบนิ่งไว้ค่อยๆตบลูกเลื่อนลงเป็นการลดนกตามเดิมหันไปมองดูสภาพของซากช้างที่ล้มตายอยู่เกลื่อนบริเวณที่พักอย่างพินิษอีกครั้ง แล้วยกหลังมือขึ้นขยี้จมูกคืนนี้พวกเราทั้งหมดจะต้องอพยพขึ้นไปอาศัยหลักนอนตามซอกถ้ำบนหน้าผากับกระเหลียงพวกนี้ซะแล้วละครับบักหลักอยู่ที่นี่เหมือนเมื่อคืนที่แล้วไม่ได้ครับเพราะยังไม่แน่ว่ามันจะแอบบุกเข้ามาเล่นงานเราซ้อาอีกหรือเปล่าเอาปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าเขาพูดขึ้นลอยลอยสมองและร่างกายของเขา เริ่มทำงานนี้แหละเบรแอบกระซิบ Bear Twitch กับพักพวกทุกคนที่กำลังมองจับอากับกิริยาของพรานใหญ่เป็นตาเดียวแต่ท่าทางเขายังกระปลกกระปรี้ยีกโรยอยูน่นาเชิดฟุตพูดแผ่วเบาไม่เป็นได้หรอกคืนนี้ก่อนนอนจะเซายผสมยานอนหลับอีกสักห้าร้อยซีซีเท่านั้น พรุ่งนี้พวกเราก็เดินตามเขาไม่ทันอีกตามเคยดูแล้วไม่มีอาการแทรกซ้อนอะไรหรอกว่าแต่เขาจะยอมไม่ใส่น้ำเกลือหรือคริสติน่าอุบอิบถามเพื่อนสาวต้องยอมสิไม่ยอมได้หรอกก็ในเมื่อเรามีเหตุผลว่าต้องการในสุขภาพของเขาแข็งแรงเหมือนเดิมยกให้เป็นหน้าที่ของเธอแล้วกันนะคริสจะขูจะปลอบหรือแสดงเหตุผลอะไรก็สุดแล้วแต่ สรุปก็คือคืนนี้เขาต้องได้น้ำเกลืออีกอย่างน้อยห้าร้อยซีซีเบนโยนภาระหน้าที่มาให้แม่ผมทองเอาดือด้อๆขณะลุกขึ้นเดินตรงเข้าไปประคองไหล่จอมพรานไว้เอาไงก็เอากันดะพินผมเองก็มีความเห็นเหมือนคุณเหมือนกันคือคืนนี้เราไม่น่าจะเสี่ยงปักหลักกันอยู่ตรงพื้นราบนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะที่คุณก็กาลังไม่สบายอยู่อย่างนี้ ผมว่าคุณน่ยอย่าเพิ่งออกแรงหรือคิดทําอะไรก่อนเลยตอนนี้ไปพักแล้วก็คุยกันดีกว่าไม่มีอะไรที่คุณจะต้องกังวลเกี่ยวกับรอบๆอบแทนนี่เลยตอนนี้ทุกคนช่วยกันทํางานแข่งขันกันดีอยู่แล้วนี่และสเตลลีก็ดึง อ, อมักกุเทศนําทางกลับเข้ามานั่งพักที่เก่าอ่ล่ะครับตอนนี้สมองและความจําของผมครบถ้วนบริบูรณ์ดีที่สุดแล้ว และผมก็ยังจำได้ว่าก่อนที่จะบอกอะไรแกพวกคุณขณะที่ผมนอนรับน้ำเกลืออยู่ผมปล่อยหลับไปเฉยๆคณะพักทุกคนลงนั่งล้อมวงเขาทันทีอ่ะเรื่องมันไปยังไงไมายังไงคุณถึงได้เดินไปตกเขวกลางดึกคำถามถูกตั้งขึ้นมาทันทีกระพินอัดควันบุหรี่หนักๆอยู่อีกพัก พยายามจะลำดับภาพทบทวนแล้วก็เล่าความจริงทั้งหมดที่ตัวเองได้เผชิญเมื่อคืนที่ผ่านมาตามลำพังในขณะที่ออกไปนอนดักอยู่ยังริมทางด่านที่จะนำลงไปสู่ลำห้วยข้างล่างเริ่มตั้งกระต่นขึ้นมาด้วยอาการสังหรณ์ผิดปกติต่อมาก็ปรากฏว่ามีซากของไอ้ผีดิบที่เขายิงหัวเข่าสะบ้าแลกกระตัที่เชิดบุฒวางระเบิดขาดไว้ครึ่งตัว ถูกอะไรชนิดหนึ่งเหวี่ยงขว้างออกมาจากราวป่าหล่นลงใกล้ๆบริเวณที่เขานอนอยู่ซึ่งเข้าใจว่าน่าจะเป็นการจับขว้างเข้ามาด้วยงวงช้างมันทั้งสองคลานเข้ามาเพื่อที่จะประทุษร้ายเขาด้วยอาการนับกัดด้วยฟันซึ่งเป็นการหลอกหลอนสำแดงริบขมขวัญมากกว่าที่จะทำอันตรายใดๆต่อร่างกายเขาได้เขาได้ยิงออกไปสองนัด ซึ่งกระสุนด้านทั้งสองนัดเมื่อเล่ามาถึงตอนนี้โดยที่ทุกคนฟังอย่างเงียบกริบสแตนลีก็ควักเอากระสุนไรเฟิลจุดสี่ห้าแปดสองนัดที่คริสค้นพบในกระเป๋าเสื้อของเขาแล้วถอดออกเก็บไว้ส่งให้เจ้าตัวดูนี่สองนัดนี่ใช่ไหมที่คุณยิงให้มอนสเตอร์สองตัวนั่นแล้วกระสุนไม่จุดชนวนระเบิดเราค้นพบได้จากกระเป๋าเสื้อของคุณ กระปินรับไปพิจารณาและตอบว่าครับใช่ครับไอสองนัดนี่แหละครับความจริงรอยเจาะของเข็มแทงฉนวนนี่มันลึกมากนะมันไม่น่าจะด้านเลยกระสุนก็ยังใหม่เอี่ยมอยู่คิดว่ากระปินเห็นว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเล่าถึงสาเหตุในข้อที่ว่าทําไมกระสุนทั้งสองนัดจึงไม่ระเบิดในขณะนั้นเพราะมิฉะนั้นก็จะต้องอธิบายกันมาก เขาจึงผ่านเลยไปซะโดยเล่าให้ฟังเฉพาะเมื่อกระสุนเกิดด้านขึ้นเขาก็ฟาดกระหน่ำด้วยพานท้ายปืนเป็นผลให้อ้ผีดิบพิการทั้งสองตนน่นฟุบนิ่งกลายเป็นท่อนไม้ไปอีกสแสดงว่าวิญญาณหรือเวทมนการีที่เข้าสิงบงการมันอยู่ได้ถอดออกจากร่างไปนี่พวกเราทำไมไม่รู้สึกตัวกันเลย แล้วทำไมคุณถึงไม่ได้ส่งสัญญาณให้เสียงกับพวกเราทราบมั่งอ่ะในตอนนั้นคริสติน่าถามมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากมากนะครับขณะที่ผมใช้ด้ามไรเฟิลกระแทกไออมนุษย์สองตอนนั่นและตลุงบอลกับมันอยู่ตรงนั้นไม่ปรากฏว่าพวกเราในแคมป์ที่ห่างออกไปเพียงไม่เกินสามสี่สิบเมตรบนนี้จะรู้ตัวเลยผมมองขึ้นมาก็ยังเห็นเกิดเซยคนใดคนหนึง่ง เดินตรวจยามอยู่เป็นปกติผมได้ตะโกนเรียกมันแล้วแต่มันไม่ได้ยินดูคล้ายๆกับว่าผมผู้ซึ่งนอนอยู่ตรงตำแหน่งนั้นกับแคมของเราบนนี้อยู่กับคนละโลกอย่างนั้นนนี่คือความดี้ลับอีกชนิดหนึ่งที่เกิดขึ้นจากมนุ์มืดอุบาทเอาละคุณเล่าทางด้านคุณไปก่อ น, นะะแล้วกันไปเดี๋ยวเราจะเล่าทางด้านฝ่ายพวกเราทั้งหมดในแคมนี้มันว่าไอ้อมนุษย์ทั้งสองตน ที่คุณว่าคุณกระแทกมันด้วยสันไรเฟิลจนแน่นิ่งไปแล้วนะ่ะมันได้ถูกโยนเข้ามาให้คลานอาวาสอยู่ในแคมป์ของเรายัางไงบ้างก่อนที่ขุงช้างจะบุกมาเล่นงานทางคุณก่อนแล้วก็เข้ามาเล่นงานพวกเราภายหลังเชื่อว่าช่วงเวลาห่างกันเล็กน้อยเท่านั้นแหละเชิดบุตรบอกทุกคนในอาการตื่นเต้นและพิสวงต่อเหตุการณ์